สิบเก้าพฤศห้าวงเล็บเปิดยี่สิบสามมกราคมสองพห้าห้าสิในวงเล็บสองจุดจุดนาทีหนึ่งวงเล็บปิดกำลังจริงๆมีห้าอันนะคือสัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี่กำลังมีห้าอันสัทธาเนี่ยอาศัยการน้อมการนึกกันคิดพิจารณาคิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงพระธรรม คิดถึงครูบาอาจารย์ทําไมครูบาอาจารย์ดูมีความสุขจังเลยทําอย่างไรเราจะมีความสุขอย่างนั้นได้บ้างครูบาอาจารย์ไปทําอะไรมาท่านไปทําอะไรมาถึงมีความสุขหรือท่านไปทําอะไรมาใจถึงเปิดโล่งไปหมดเลยหลวงพ่อก็เคยใช้เหมือนกันตัวนี้เคยเห็นตอนนั้นหลวงปู่สุวั์กลับมาจากอเมริกานะไปกราบท่านที่สวนทิพย์ซอยวัดกู้ปากเกรด็ดไปเห็นท่านนะ โอ้ทำไมท่านมีความสุขจังท่านเป็นอมาพาสนะบางทีหามกันกระร่องกระแรงมาบางทีหามกันกระดูกหักก็มีนะดูท่านมีความสุขทำอย่างไรเราจะได้ดีอย่างท่านบ้างเสร็จแล้วเฉลียวใจว่าเอ๊ะมานะนี่รู้สึกว่าท่านเก่งเราไม่ได้เรื่องนี่ไปเทียบเขาเทียบเราขึ้นมานะการที่เราได้เห็นครูบาอาจารย์ มันทำให้เรามีกําลังใจขึ้นมาแต่ต้องช่วยพิจารณานะอย่างหลวงพ่อบางครั้งเหนือหน่อยขึ้นมาก็พิจารณาศึกษาประวัติครูบาอาจารย์แต่ละรูปกว่าจะมาเป็นครูบาอาจารย์นะล้มลุกคลุกคลานกันมาทั้งนั้นแหละลําบากหลวงพ่อเป็นลูกศิษย์หลวงปู่เทศเนี่ยท่านก็เคยเดินทุดงหลงป่าหลงเขานะตกเขาด้วยเป็นแผลลึกลงไปที่หน้าแข้งเจ็บปวดแค่ไหนก็ต้องสมซานออกมาให้ได้ไม่งั้นก็ตายเลยลําบาก แต่เดิมท่านก็เป็นมนุษย์ธรรมดาเหมือนเรานี่แหละมีกิเลสมีความอยากมีอะไรต่ออะไรเหมือนๆกันทําไมท่านเอาดีได้เราต้องเอาอย่างท่านใจมันนึกอย่างนี้ไม่ท้อถอยนะดังนั้นศรัท ธ, ธามันต้องเป็นการให้กําลังกับตัวเองศรัท ธ, ธาเกิดขึ้นมันก็มีกําลังใจมีกําลังที่จะทําความเพียรดังนั้นมีศรัท ธ, ธามันก็เลยมีวิริยะขึ้นมามีความเพียรถ้าหมดศรัท ธ, ธาก็หมดเรีย่ยวหมดแรงไปเลยท้อแท้ทอดอะไรเช่น โอ้เราวาสนาน้อยอาจารย์ของเรานั้นสร้างบารมีมานานแล้วเรายังทำไม่ได้หรอกแล้วขอทำบุญใส่บาตรไปก่อนอย่างนี้เรียกว่าคิดล้างผลาญตัวเองนะศรัทธาแล้วมันต้องให้กาลังใจตัวเองก็จะได้มีความเพียรการจะทำความเพียรก็ไม่ใช่เพียรถูรูดถูกกังเพียรโง่โงข่าเขาต้องเพียรเจริญสติมีความเพียรก็ต้องเพียรอะไรเพียรเจริญสติมีสติไปเรื่อยตามรู้ตามดูไปเรื่อยๆแล้วคอยสังเกตใจเรา ใจเราบางทีดูไปดูไปไม่ตั้งมั่นไม่ตั้งมั่นก็สังเกตอีกดูจิตดูใจใจก็ไปอยู่นอกๆ อ, อีกแล้วถ้าทําความสงบเข้ามาทําสมาธิเข้ามาหรือว่าไปรู้ทันว่าใจไม่ตั้งมั่นสมาธิก็จะเกิดใจจะตั้งมั่นขึ้นมามีใจที่ตั้งมั่นนี่มีกำลังมากมีสติมันก็มีกำลังมากขึ้นนะมากกว่ามีความเพียรธรรมดามันมีเป็นชั้นๆเลยกาลังสุดท้ายก็คือกาลังของปัญญา อาวุธตัวสำคัญเลยก็คือปัญญาปัญญาจะมีได้ก็อาศัยศรัทธาวิริยะสติสมาธินี่แหละเกื้อกูลส่งเสริมมาเป็นทอดๆปัญญาก็คือการที่เราสามารถเห็นความจริงของกายของใจนี่เองค่อยๆเรียนค่อยๆรู้นะเกิดความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นวันละเล็กวนละน้อยไม่ต้องรีบแต่ขยันขยันรู้ขยันดูแต่ไม่รีบร้อนถ้าลุกลี้ลุกลนอันนี้ไม่ดี ดังนั้นต้องรู้จักให้กำลังใจตัวเองช่วงไหนมันเหนื่อยนักทำอะไรไม่ไหวพูดโทยอย่างเดียวก็ยังได้เลยไม่รู้จะทำอะไรแล้วทำสมถะไว้ก่อนมันลำบากต้องต่อสู้กับกิเลสความหลงผิดของเราเองต่อสู้กับความหลงผิดของเราเองไม่ได้สู้กับคนอื่นหลอกกรรมฐานเนี่ยเอาชนะตัวเองนี่ยากที่สุดเลยชนะคนอื่นไม่อัศจรรย์นะชนะกิเลสชนะจิตใจตัวเองได้นี่อัศจรรย์ที่สุดเลยชนะคนอื่นมันก่อเวร ชนะกิเลสตัณหาของตัวเองเนี่ยมันพ้นทุกข์จริงๆต้องภาคเพียนนะต้องอดทนบางครั้งเรารู้สึกท้อแท้ขึ้นมาเพราะอะไรบางทีเราไปตั้งความหวังไว้เช่นปฏิบัติเท่านี้น่าจะได้ผลเท่านี้พอปฏิบัติด้วยความคาดหวังมันไม่เป็นอย่างหวังก็ท้อแท้ใจหลวงพ่อภาวนานะไม่เคยท้อเลยเหนื่อยแต่ไม่ท้อนะเบื่อก็รู้ว่าเบือ่อ ท้อใจก็รู้ว่าท้อใจวับก็ขาดเลยไม่มีเวลาท้อรู้สึกว่ากิเลส ต, ตัณหายังเผาลนจิตใจของเราไม่มีเวลาท้อแท้นะเหมือนไฟไหม้บ้านอยู่อย่างนี้เหนื่อยนะต้องขนของหนีหรือจะมาดับไฟแต่หยุดไม่ได้เพราะไฟกําลังไหม้อยู่ไฟกําลังเผาใจเราท้ออย่างไรก็ต้องสู้นะมันหยุดไม่ได้ถ้าหยุดก็คือถูกไฟครอกตาอยู่ตรงนั้นเลยเสียชาติเกิดหลวงพ่อเคยท้อจริงๆครั้งเดียวตอนมาอยู่สวนโพบวดแล้วนะ ตอนเป็นคาวาสไม่เคยท้อเลยเพราะไม่เคยคาดหวังว่าจะต้องได้อะไรเมื่ อ, อไหร่ไม่คาดหวังแล้วง่ายเพราะบวชแล้วนี่ลูกลี้ลุกลนแล้วว่าบวชแล้วต้องลุยแล้วมาบวชได้เมื่อแก่ตั้ง48กว่าพ่อกว่าแม่จะพร้อมแม่พร้อมคือแม่ตายไปพ่อพร้อมคือพ่อยอมมาอยู่วัดด้วยกว่าจะได้บวชอายุเยอะลูกลี้ลุกลนในการภาวนาไปโอ้เหนื่อยใช้สติใช้ปัญญาสังเกตเอาเรารีบร้อนเกินไปแล้วจะเย็น นั่งดูไปสังเกตแต่ละวันคอยรู้คอยดูจิตใจไปสบายสบายบางวันใจก็วางความยึดถือใจไปหลุดออกไปโอ้สบายนิพพานแล้วนิพพานอยู่นี่เองหลายๆวันเสื่อมได้อีกเน ะ, จะเจริญแล้วเสื่อมจเจริญแล้วเสื่อมอยู่ตรงนี้เราสังเกตดแตูแต่ละแง่แต่ละมุมที่จิตมันดาเนินไปล้วนแต่เป็นเรื่องอริยสัจทั้งหมดเลยจิตค้นคว้าแต่เรื่องอริยสัจแต่ไม่รู้ตัวนะว่าเป็นเรื่องอริยสัจ พอค้นคว้าอาริยาสตว์ไปมุมนี้หลุดออกมาโอ้สบายแล้วเอ๊ะหลายวันเสื่อมลงมาอีกจิตมันค้นคว้าอีกค้นคว้าเข้าใจอริยศาสตว์อีกมุมหนึ่งแล้วสบายอีกแล้วเสร็จแล้วก็เสื่อมถึงจุดหนึ่งนะท้อใจเลยจนปัญญาแล้วนะหมดสติหมดปัญญาแล้วไม่รู้จะทำอย่างไรแล้วถึงทางตันครูบาอาจารย์ก็ไม่มีช่วยตัวเองไม่รู้จะช่วยอย่างไรจนปัญญา ท้อใจว่าชาตินี้ไปไม่รอดแล้วได้แค่นี้ใจมันถอดถอดใจพอยอมรับว่าได้แค่นี้นะใจเลิกดิ้นเลยเห็นไหมเอาความท้อใจมาใช้ประโยชน์อีกเห็นไมไม่ใช่ท้อแท้แล้วเลิกปฏิบัตินะท้อแล้วเลิกดิ้นใจไม่ดิ้นมันไม่มีทางจะทำให้มันหลุดพ้นได้แล้วชาตินี้หมดปัญญาแล้วตามรู้ตามดูนะพอมันแจ้งอริยสัจจริงจริงแจ้งปฏิจจสมุ ป, ปบาทจริงๆ โอ้มันคุ้มกับการที่เราเหนื่อยยากมาแสนสาหัสนะเหนื่อยยากหลวงพ่อภาวนามาตั้งแต่ไหนๆเราลำบากมานานทุลักทุเลใจต้องถึงจริงๆนะต้องสะสมกำลังจิตกำลังใจของเราเรียกว่าบารมีแต่ละอันแต่ละอันสะสมการจะออกจากภพจากชาติไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ถ้าเราไม่เริ่มเสียแต่วันนี้นะไปเจอพระสีอานเราก็ขี้เกียจขี้คร้านอีกทาไม่เป็นอีกนั่นแหละเริ่มตั้งแต่วันนี้ไป